ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังกะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สิบหกสหสยะวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของการนอนร่วม การนอนร่วมนี้จะมีสองอย่างคือนอนร่วมกับอนุสัมบันฑต้สามคืนสองสามคืนก็คือสามคืนนั่นเองคืนที่สี่ถ้าหลังแตะพื้นกับอนุสัมบัณก็ปฏิจิตตีอีกอันนึงก็คือนอนร่วมกับมาตุคามคืนแรกเท่านั้นแหะหลังแตะพื้นก็อนุปติจิตตีแล้วดังั้นการนอนร่วมนี้จะมีสองนอนร่วมกับ อ, น, น, อ น, นุสัมบันฑ์นอนร่วมกับมาตุคามสัตว์ในฌานก็ถือว่าเป็อนอนุสัมบัณเหมือนกันสัตว์ที่สามารถที่จะร่วม เมตุนได้มีทวานที่จะร่วมเมตุนได้ทวานหนักทวานเบาและปากด้วยงูก็ยังด้วยเลยเออแล้วดั่งที่ตัวแมวที่ตัวเลี้ยงตามวัดวัดตัวนี้เหรอครับอาจารย์ก็ถ้าอยู่ในที่สาสยยะที่หมู่ที่บางเดียวกันก็ยาบัดเหมือนกันคําว่าการนอนร่วมสองอย่างกล่าวไม้เอาหมวดสองแห่งสาสัยยะสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจา้าบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า อันหนึ่งภิกษุไดสสำเร็จการนอนร่วมกับอนุสัมบัญเกินสองสามราตรีเป็นอาบัติปาจิตตีและอันหนึ่งภิกษุใดสสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเป็นอาบัติปาจิตตีในเรื่องนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ในวันที่ 4, ีหลังจากสามราตรีไปเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคดแล้วคือพระอาทิตย์ตกแล้ว เป็นอาบัตปาจิตตีแก่พิกษุผู้นอนร่วมกับอนุสัมบัญนในเสนาสนะที่มุงทั้งหมดและบังทั้งหมดหรือมุงโดยมากและบังโดยมากมันจะมีหลายหมวดก็คือมุงบ้างบังน้อยบุงมากบังกึ่งมุงมากไม่บังม า, บางกบุงทั้งหมดไ ม, บม่บังทั้งหม ด, ม, ห ม, ด ม, มีหลายหมวดในที่นี้ก็จะเป็นอาบัตปายจิตตีสองหมวดก็คือ มุงทั้งหมดบังทั้งหมดกับมุงโดยมากและบังโดยมากใ น, นถึงอาบัติปฏิตีแต่ถ้ามุงทั้งหมดแล้วก็บังโดยมากหรือว่ามุงทั้งหมดแล้วก็บงกังเกึนหนึ่งอันนี้เป็นอบัติปฏิตีในขณะก่อนหลังกันหรือว่าในขณะเดียวกันก็ตามนอนร่วมกับอนุสัมบัติจะนอนพร้อมหรือว่านอนก่อนหลังกันก็แล้วแต่ในเสนาสนานเสนาสนะแม้ที่ล้อมด้วยเครื่องล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง มีกำแพงเป็นต้นสูงสอบครึ่งไม่จดหลังคาก็คือสูงสอบครึ่งเท่านั้นเองจากพื้นขึ้นมาเนี่ยสูงสอบครึ่งก็เรียกว่าเป็นที่บังเป็นที่บังน้อยมากสูงสอบครึ่งเท่านั้นเองสอบครึ่งก็ร้อยเเซนเมตรกว่าศอกหนึ่งก็เท่าไหร่ถ้าสอกช่องไม้ก็ห้าสิบห้าสิบเซนใช่ไหมสอกช่องไม้ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนสอบครึ่งเจ็ดสิบห้าอันนี้เป็นสอกช่องไม้ เพราได้เป็นสองของพรเจ้าเทา่ากัาสบสามสองเราถ้าคืบทุกข์เนี่ยเท่ากับเจ็ดสิบห้าเซนสองนึงก็เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบถ้าเกิดศองครึ่งก็สองเมตรยี่สิบห้าจะเป็นของทุกข์นะแต่ในที่นี้เป็นของช่างไม้สอกครึ่งก็มาเจ็ดสิบห้าเซนพิ่งทราบว่าบังทั้งหมดอันนี้สูงศอกครึ่งนี้ก็จัดว่าเป็นบังทั้งหมดแล้ว เสนาสนะใดามุงทั้งหมดทีเดียวในเบื้องบนด้วยเครื่องมุงห้าชนิดหรือด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามชื่อว่ามุงทั้งหมดแต่ในอัจฉริยทั้งหลายท่านถืออววหารที่ปรากฏกล่าวคำคล่องปากว่าที่นอนอันมุงด้วยเครื่องมุงห้าชนิดชื่อว่ามุงทั้งหมดดังนี้คือจะมุงด้วยอะไรก็ได้แต่ชื่อว่ามุงทั้งหมดแม้ท่านกล่าวคำนั้นไว้ก็จริง ถึงกระนั้นก็ไม่อาจทาไม่ให้เป็นอนาบัตแม้แต่พิสูพูดอยู่ในกุฎีผ้าด้านอนาบัตหมายถึงไม่เป็นอนาบัตก็คือมันเป็นอนบัตนั่นเองเพราะปฏิเสธซ้อนปฏิเสธไม่อาจทาไม่ให้เป็นอนาบัตก็คือเป็นอนาบัตแม้แต่พิสุผู้อยู่ในกุฎีผ้าตามไปนอนร่วมที่มูงที่บางเดียวกันกับ อนุสบันหรือว่าสตรีในกุฎีภาาก็มีอ บ, บันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาเพิงทราบเครื่องมุงเครื่องบังในสิทธาบท น, นี้ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปิดบังได้จึงอยู่เมื่อถือเอาเครื่องมุงห้าชนิดเท่านั้นการนอนร่วมในกุฎีแม้ที่มุงด้วยไม้กระดานก็ไม่พึงมีได้ก็คือไม่เป็นอบัติถ้าเอาผ้าชนิดจริงๆพวกกระเบื้องพวกหญ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีแสดงไว้ห้าชนิด เพราะฉะนั้นเสนาสนะใดาที่เขากั้นตั้งแต่พื้นดินจนจดหลังคาด้วยกำแพงหรือด้วยวัตถุอะไรอะไรอื่นก็ตามโดยที่สุดแม้ด้วยเสยนาส น, านั้นพึงทราบว่าชื่อว่าบังทั้งหมดเป็นเสนาสนะแม้ที่เขากั้นด้วยเครื่องกั้นมีกำแพงเป็นต้นสูงส่อคืบโดยปริยายอย่างสัมที่สุดไม่จดหลังคาก็ชื่อว่าบังทั้งหมดเหมือนกัน ตั้งแต่สอบคืบขึ้นไปจะตังง้งถึงหลังคาเลยเรียกว่าบังทั้งหมดแต่ถ้าต่ากว่าสอบครึ่งลงมาสอบครึ่งหรือว่าสอบคืบลงมาก็เรียกว่าบังโดยน้อยบังโดยน้อยุยกก็ต้องดูว่ามุงทั้งหมดหรอือเปล่าถ้ามุงทั้งหมดแล้วก็บังโดยน้อยบังโดยน้อยนี่บัตทุกฯกฎ เสนาสนะใดที่มุงเบื้องบนมากกว่าที่ไม่ได้มุงน้อยหรือว่าที่เขากั้นโดยรอบมากกว่าที่ไม่ได้กั้นน้อยฉะนั้นเสนาสนะนี้จึงชื่อว่ามุงโดยมากบังโดยมากก็คือมุงเยอะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ได้บุงเนี่ยนิดเดียวหรือว่าบังมากที่ไม่ได้บังนั้นนิดเดียวก็ปราสาทที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้ถ้าแม้มีถึงเจ็ดชั้น มีอุปจาระเดียวกันหรือว่าศาลาสี่มุกมีห้องตั้งร้อยก็ถึงอันนับว่าที่นอนอันเดียวกันแท้ประสาทเจ็ดชั้นก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันถึงกันหนมดเลยอย่างโรงแรมนี่เป่าโรงแรมด้วยคือเข้าประตูเดียวกันเนี้ยแต่ไปแยกห้องอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้ามีประตูทั้งหมดทางเดินเนี่ย ถ้ามันเป็นโรงแรมแล้วก็มีประตูแต่ละประตูเนี่ยเป็นห้องเป็นสักเป็วนไปเลยไม่มีอบั ต, ตนอนในห้องได้แต่ว่าถ้ามีผู้หญิงมานอนที่ทางเดินเมื่อไหร่เป็นอาบัดแต่ผู้หญิงก็นอนห้องเขาไม่นอนทางเดินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่างคนก็ต่างอยู่คนละห้องกันไปอ้าแล้วอย่างบ้านนะอาจารย์ก็ต่างคนก็นอนในห้องแต่เข้าบ้านเข้าประตูบันไดเหมือนกันสมมุตินะอันนี้เป็นถ้าอยู่ในบ้านเป็นถ้าอยู่บ้านอุปจาระเดียว เดินถึงกันหมดใช่ไหมเป็นตึกก็การเปตึกแถววะไม่เป็นไรเป็นตึกแถวฮะตึกแถวแบบถ้าตึกแถวนี้ไม่เป็นไรเพราะทางเข้าคนละทางอยู่แล้วนี่ไม่ทางเข้าสมมติทางเข้าเดียวอ่ะทางเข้าเดียวทางเข้าเดียวแต่ไปแยกห้องอ้าวก็นี่เป็นอะไรก็ลักษณะเหมือนโรงแรมใช่แต่เป็นนอนตรงกลางทางเดินไม่ได้นะแต่บ้านทำไมถึงเป็นสงสัยอาจารย์ก็บ้านมันไม่ได้มีทางเดินไปสัตว์เป็นส่วนี้ แต่ถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยมันมีส่วนกลางเป็นทางเดินหรือว่าเป็นห้องรับแขกนั้นเป็นส่วนกลางอยู่แต่ว่าถ้าต่างคนต่างเข้าห้องต่างคนต่างเข้าห้องไม่มีอันบาทสาราสี่มุกมีห้องต้องรอไว้ะนะก็ถึงอันดับว่าเป็นที่นอนอันเดียวคันแท้ในเสนาสนะเช่นนั้นเมื่อพิจุนอนร่วมกับอนุสับัญในวันที่สี่เมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอาบัาติปาจิตตี ก็ถ้าว่ามีสามเณรมากรูปพิสุตรูปเดียวเป็นปัจจิตีหลายตัวตามจำนวนสามเณรเป็นนอนกับสามเณรสิบรูปอบัปัจจิตีสิบตัวหากว่าสามเณรเหล่านั้นผุดลุกผุดนอนพิสูตต้อบัตทุกทุ ก, ทกประโยคของสามเณรเหล่านั้นสามเณรรูปหนึ่งลุกขึ้นเ ป, ป็นปัสสาวะสิบครั้งสิบคนก็เลยเป็นร้อยครั้งร้อยตัว เนื่องจาะการผุดลุกผุดนอนของพิสุเป็นอาบัติแก่พิสุเพราะประโยคของพิสุนั่นเองพิสุก็เหมือกันถ้ลุกขึ้นแล้วก็นอนลงก็ต้องบัติอีกตัวหนึ่งลุกขึ้นนอนลงก็ต้องบัติอีตัวหนึ่งถ้าพิกสุมากรูปสมณีนรูปเดียวแม้สมณีนรูปเดียวก็ทําให้เป็นอาบัติแก่พิสุทั้งหมดแม้ด้วยการผุดลุกผุดนอนของสมณีนนั้นก็เป็นอาบัติแก่พิสุทั้งหลายเหมือนกัน ถึงในความที่พิกสุและสามเณรมากรูปด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็มีในนี้เหมือนกันเนื่องจากทับสามเณรสิบรูปแล้วพระพิสุลูกไปแล้วกลับมานอนก็อีกสิบตัวอีกสิบตัวอ๋อทะเนนรูกทะเนรเนรลูกไปแล้วกลับมานอนแล้วพระพิสุ ก, ก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่นั่นแล้วแต่ว่าลูกไปกี่รูป่ะสามเณรอีกในหนึ่งในสิกขาบทนี้พึงทราบหมวดสี่แม้มีอาว่าแห่งเดียวเป็นต้นความพิสดารว่าพิสุได สำเร็จการ น, นอนร่วม ก, กันกับอนุสมปัตเพียงคนเดียวในอาวาสแห่งเดียวกันสิ้นสามราตรีเป็นอาบัตทุกวันจำเดิมแต่วันที่สี่แกจิตุแม้นั้นนอนต่อสาเนรูปเดียวแหละในอาวาสที่เดียวตั้งแต่วันที่สี่เป็นต้นไปก็อาบัตทุกวันเลยนี่ข้อแรกนะอันนี้เป็นเจตุกะหมวดสี่ ฝายที่สุนายสำเร็จการ น, นอนร่วมสิ้นสามราตรีกับอนุสัมพัน์ต่างกันหลายคนวันที่หนึ่งก็นอนกับสำเนีนองค์นี้วันที่สองนอนกับสำเนีององนั้นวันที่สามนอนกับสำเนีนอีกองหนึง่งนอนกับอนุสัมันหลายคนในอาวาสแห่งเดียวนั่นเองเป็นอาบัตทุกวันแก่พิสุแม้นั้นจำเดิมแต่วันที่สี่นี่คือข้อที่สอง จะมีสำเนียหรือมีเด็กชาวบ้านก็แล้วแต่มานอนตังวันที่สี่เป็นต้นไปก็อาบัตดทุกวันเลยแม้นอนกับอนุสมพันธที่ต่างคนกันก็อาบดาดเหมือนกันแต่ว่าถ้าตื่นเช้าไม่เป็นไรตื่นตอนอาบน้ำ ข, ขึ้นก็ไม่มีอาบัดก็นอนได้ทุกวันแหละแม้ที่สุดใดสําเร็จการนอนร่วมสิ้นสามราตรีกับอนุสัมพันธคนเดียวเท่านั้นในอาวาสต่างๆกันก็เป็นอาบัตดทุกวันแกที่สุดแม้นั้นก็คือ วันนี้ก็นอนกับสำเนารูปนี้ยแต่เป็นนอนวัดนี้มันรุ่งขึ้นก็ไปนอนอีกวัดหนึ่งมันรุ่งขึ้นก็ไปนอนอีกวัดหนึ่งวันที่สี่ไปก็เป็นอาบันนตยองค์เดิมคงเดิมก็เป็นอาบัตเหมือนกันแม้ที่สุดใดเดินทางสิ้นระยะตั้งร้อยยอดสาเร็จการนอนร่วมสิ้นสามราตรีกับอนุสัมพันต่างกันหลายคนในอาวาสต่างๆกันก็เป็นอาบัตแม้แต่ที่สุดนั้นทุกๆวันนับแต่วันที่สี่ไป ไปนอนร่วมกับอนุสมบัตต่างคนแล้วก็ต่างอาวาสด้วยวันนี้ก็นอนกับสำเนารูปนี้ในวัดนี้พวก น, นี้ก็นอนกับสำเนารูปนั้นในวัดอื่ น, นวันที่สี่ไปก็อบัติทุกวันเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าหมวดสี่ของการนอนก็ชื่อว่าสหเสยยาบัตินี้โดยที่ตุดย่อมเป็นอบัติแม้กับสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นวัตถุแห่งปาราชิกเพราะพระบาลีว่า ที่เหลือเว้นพิจุชื่อว่าอนุสัมบัณเว้นพิจุนะชื่อว่าอนุสัมบัณไม่รวมภิกษุณีไม่รวมรสตรีเพราะถ้าเป็นสตรีกับภิกษุณีเด็กเข้าข้อนอนกับมาทุกคามในศาสตร์เสยบนาสนั้นการกําหนดสัจจะาญเพิ่งทราบโดยนายดังกล่าวแล้วในเมถุนธรรมมาบัต์นั่นและก็คือมีทวารปาก แล้วก็ทวารหนักทวารเบาเนี่ยสามารถที่จะร่วงในทุนได้สามารถเสดในทุนได้สัตว์ที่มีทวารทั้งสามนี้พอที่จะเสดในทุนได้ก็เป็นวัตถุแห่งต้องอับดับแห่อับดับในสระไยะนี้เพราะเหตุนั้นถ้าแม้ว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานชนิดสีเท้ามีเหี้ยหรือว่าแมวและพังพรอนเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเข้าไปนอนอยู่ในที่มีอุปจาระอันเดียวกัน ในเสนาธนะเป็นที่อยู่ของพิสุจัดเป็นการนอนร่วมเหมือนกันถ้าว่ามันเข้าไปทางโพรงของหัวไม้คือคือคานที่มีโพรงที่ตั้งอยู่ข้างบนฝาแห่งปราสาทที่เขาสร้างไว้เบื้องบนเสาทั้งหลายซึ่งมีฝาไม่เชื่อมต่อกันกับพื้นชั้นบนแล้วนอนอยู่ภายในไม้คือออกไปทางไม้โพรงนั้นนั่นเองไม่เป็นอบาบัติแก่พิสุผู้นอนภายใต้ปราสาท คือถ้าเกิดมันมีเพดานกัน้นแล้วก็มันก็เข้าไปในขือนนั้นออกไปกระทางขือนนั้นไม่ถึงกันนี่ก็ไม่เป็นอวบาัดถ้ามีช่องบนหลังคามันเข้าไปตามช่องนั้นอยู่ภายในหลังคาแล้วออกไปทางช่องเดิมนั่นแลเป็นอวบัดแก้พิสุผู้นอนภายในหลังคาที่พื้นชั้นบนซึ่งมีอุปจาระต่างกันไม่เป็นอวบัดแก้พิสุผู้นอนที่พื้นชั้นล่าง เพราะนั้นถ้าเข้าไปภายในหลังคาแล้วก็ออกไปทางช่องเดิมนั้นก็เป็นอาบัติแกพิสุผู้นอนภายใต้หลังคานี่ยนะซึ่งมันเข้าถึงกันอ่ะถ้าพวกพิกูุขึ้นทางด้านในปราสาททั้งนั้นใช้ฝ่ายพื้นทั้งหมดพื้นทั้งหมดมีอุปจาระเดียวกันเป็นอาบัตแก่พิสูุผู้นอนบนพื้นใดพื้นหนึ่งบรรดาพื้นทั้งหมดนั้นพิสูตนอนในเสนาสนะที่มีฟาเป็นเพิง ซึ่งสร้างคล้ายกับสะพานนกพ่ราบเป็นต้นเข้าไปนอนอยู่ในที่ทั้งหลายมีจั่วที่ทำเป็นรูปสัตว์้ายเป็นต้นเป็นอาบัตเหมือนกันนกพ่ราบเป็นต้นนอนในภายในชายคาที่ยื่นออกไปภายนอกเครื่องล้อมฝาผนังกัน้นไม่เป็นอาบัตถ้าอยู่ในภัยในผนังนี่เป็นแต่ว่านอกผนังไม่เป็นถ้าแม้เสนาสนะกลมหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส มีห้องตั้งร้อยห้องด้วยแถวห้องที่มีหลังคาเดียวกันถ้าพวกพิษุเข้าไปในเสนาสะ น, ะนั้นทางประตูสาธารณะประตูหนึ่งแล้วเลยเข้าไปในห้องทั้งหมดซึ่งมีอุปจาระห้องที่มิได้กั้นด้วยกำแพงต่างหากเมื่ออนุสบันนอนแล้วแม้ในห้องหนึ่งก็เป็นอาบัติแก่พิสุทั้งหลายผู้นอนในทุกๆห้อง ห้องทั้งหลายมีหน้ามุกและหน้ามุกไม่ได้มุงข้างบนอนุสัมบัณฑ์นอนที่หน้ามุกไม่ทําให้เป็นอาบัติแก่พิสุทธทั้งหลายผู้นอนในห้องแต่ถ้าว่าหน้ามุกมีหลังคาต่อเนื่องกันกับหลังคาแห่งห้องทีเดียวอนุสัมบัณฑ์นอนที่หน้ามุกนั้นย่อมทําให้เป็นอาบัติแก่พิสุทธิทุรูปเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นห้องมุงทั้งหมดและบังทั้งหมด จริงอยู่เครื่องกั้นห้องนั้นแหละเป็นเครื่องกั้นหน้ามุกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอานตรงนี้ก็เลยตีความว่าเป็นอาบัดโ ร, รงแรมเนี่ยนะยังไงบอกว่า100ถ้าเสนาสนะกรมหรือสี่เหลี่ยมจตุรัสยังมีห้องตัวร้อยห้องด้วยแถวห้องที่มีรังคาเดียวกันถ้าพวกพิศุกข์เข้าไปในเสนาสนะนั้นทางประตูสาธารณะประตูหนึ่งแล้วเลยเข้าไปในห้องทั้งหมดซึ่งมีอุปจาระห้องที่มีได้กั้นด้วยกาแพงต่างหาก นี่แรงว่าไม่มีประตูนะใช่ไม่ได้แสดงประตูไวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยไปตีความว่าเป็นอาบัตหมดแต่ว่าที่ท่านะยอมท่านไปดูควรจะดูดีกาแหละว่าแต่ห้องก็มีประตูต่างหากังนั้นแต่ละคนก็เข้าห้องตัวเองไม่มีอาบาัตต่างคนต่างนอนในห้องตัวเองก็ไม่มีอาบาัตจะเป็นผู้หญิงจะเป็นกรัตริย์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีใครมานอนตรงกลางตรงกลางทางเดินผู้หญิงเมื่อนอนตรงกลางทางเดินนี่ก็มีอาบาัต มหาปราสาทแม้เหล่าใดที่มีทัวทรงเป็นสาราหลังเดียวสองหลังสามหลังและสี่หลังพิสุลังเท้าในโอกาสหนึ่งแล้วเข้าไปอาจเดินเวียนรอบไปได้ในที่ทุกแห่งแม้ในมหาปราสาทเหล่านั้นพิสุย่อมไม่พ้นจากสหสิยาบัตอันนี้ไม่ได้บอกมอกันว่ามีประตูใช่ไหมเดินรอบมันก็ลักษณะครงแรมบ่อยะใช่กะเดินขึ้นไปได้ทั้งหมดทั้นัน ถ้าว่ามหาปราชญเป็นที่อันเขาสร้างกำหนดอุปจาระไว้ในที่นั้ น, น, นเป็นอาบัตเฉพาะในที่มีอุปจาระเดียวกันเท่านั้นคือเดินถึงกันได้ทั้งหมดพวกช่างทํากาแพงกั้นในท่ามกลางแห่งมนดกซึ่งมีหลังคาชาปูนขาวประกอบด้วยประตูสองช่องอันนี้มีประตูแล้วนะอนุสัมบันเข้าไปทางประตูหนึ่งนอนอยู่ในเขตหนึ่ง และที่ตุนอนอยู่ในเขตหนึ่งไม่เป็นอาบัตตรงนี้ไงไถ้ามีประตู่ตองช่องอนุออ<ๆ>สบันเข้าไปประตูหนึ่งนอนอยู่ในเขตหนึ่งที่ตุนอนอยู่ในเขตหนึ่งก็ไม่เป็นอาบัตที่กำแพงมีช่องแม้พอสัตว์เดรัจฉานมีเหี้ยเป็นต้นเข้าไปได้พวกเหี้นอนอยู่ในเขตหนึ่งก็ไม่เป็นอาบัตเหมือนกันเพราะเรือนไม่ชื่อว่ามีอุปการะเดียวกันด้วยช่อง คือช่องเป็นตัวที่ตัดอุปจาระเพราะปิดไปแล้วมันก็ไม่ถึงกันถ้าว่าพวกช่างเจาะตรงกลางกำแพงแล้วประกอบประตูไว้เป็นอาบัตเพราะว่าเป็นที่มีอุปจาระเดียวกันถ้าเกิดมีกำแพงแล้วก็ไปเจาะประตูเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดมีห้องอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีประตูอีกประตูหนึ่งอันนี้ม่ใช่อะไร ไปนอนคนละห้องมันเป็นไงแต่ถ้ามีกำแพงเฉยๆแล้วก็มาเจาะประตูปุ๊บในระหว่างทางกับห้องนี่มันก็ถึงกันใช่ไหมพิสูจน์ทั้งหลายปิดบานประตูนั้นแล้วนอนเป็นอบับเหมือนกันเพราะการปิดประตูเรือนไม่ชื่อว่ามีอุปจาระต่างกันหรือประตูจะชื่อว่าไม่ใช่ประตูหาไม่ได้เลยเพราะบานประตูเขากระทาไว้เพื่อประโยชน์สาหรับใช้สอย ด้วยการปิดเปิดได้ตามสบายไม่ใช่เพื่อต้องการจะตัดการใช้สอยก็ถ้าว่าพิกูุทั้งหลายเอาจำพวกอิฐ ป, ปิดประตูนั้นซ้ำอีกไม่จัดว่าเป็นประตูย่อมตั้งอยู่ในภาวะที่มีอุปจาระต่างๆกันตามเดิมนั่นแหละก็คือทำให้ไม่เป็นอับั้งเอาอิดไปก่อไปกั้นไว้เรือนเจดีมีหน้ามุกยาวบานประตูบานหนึ่งอยู่ด้านในบานหนึ่งอยู่ด้านนอก อนุสัาบันอนในระหว่างประตูทั้งสองย่อมทําให้เป็นอาบัติแก่พิจุผู้นอนภายในเรือนเจดีเพราะว่ามีอุปจาระเดียวกันนะนว่าเออถ้าไปนอนระหว่างบานประตูทั้งสองนี่นะคือต่างคนต่างมีห้องของตัวเองแต่ว่าในระหว่างนั้นก็มีทางเดินอยู่เนี่ยถ้าไป น, นอนตรงอุปจาระตรงทางเดินนี่ก็ทําให้เป็นอาบัติคนอยู่ในห้องได้อันหนึ่งมีความสังเกตในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ เสนาสนะจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเกี่ยวเนื่องหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับเสนาสนะอื่นยาวหรือกลมหรือสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ตามมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ตามซึ่งมีอุปจาระเดียวกันเป็นสหเสียาบัตในเสนาสนะนั้นๆทั้งหมดก็คือถ้าอุปจาระเดียวกันถึงกันได้เป็นอบัติก็ในเรื่องนี้มีอบัติตาจิตตีแปดตัว แต่ตัวด้วยหัวข้ออย่างนี้นะก็คือด้วยการมุงและการบังอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นอาบัติปาจิตตีในเพราะเสนาสนะที่มุงทั้งหมดบังทั้งหมดตัวหนึ่งแล้วน ะ, ะมุงทั้งหมดบังทั้งหมดอันที่สองเป็นปานจิตตีในเสนาสนะที่มุงโดยมากบังโดยมากมุงมากบังมากใ น, นสองใ น, นสามเป็นปาจิตตีในเสนาสนะที่ มุงทั้งหมดบางโดยมากมุงทั้งหมดบางโดยมากนะอันที่สี่เป็นปฏิจจตีในเสนาสนะที่มุงทั้งหมดบางกึ่งหนึ่งมุงทั้งหมดบางกึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นอบัตปปะจิตตีนะอันที่ห้าเป็นอบัตปปะจิตตีในเสนาสนะที่มุงโดยมากบางกึ่งหนึ่งคือตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปเนยนะกึ่งหนึ่งกับโดยมากปฏิจจตี ทั้งหมดกับกึงงกกกบก่งหนึ่งก็ปฏิเตี๋ยโดยมากกับกึ่งหนึ่งก็ปฏิเตี๋ยแต่ถ้ากึ่งหนึ่งกับกึ่งหนึ่งมันถึงจะอบัตบทุกกฎอันที่หกเป็นอับดับปจิเตี๋ยในเสนาสนะที่บังทั้งหมดมุงนโดยมากบังทั้งหมดมุงนโดยมากเมื่มอครู่นี้มุทงทั้งหมดบังนโดยมากอันนี้บังทั้งหมดมุงโดยมากอันที่เจดเป็นปจิเตี๋ยในเสนาสนะที่บังทั้งหมดมุงกึ่งหนึ่งเมื่อครู่นี้เป็นมุงทั้งหมดบังกึ่งหนึ่ง แล้วก็อันที่แปดเป็นอบัตปจิตีในเทนทนาที่บังโดยมากมุงกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีสามหัวข้อก็คือมุงบังทั้งหมดมุงบังโดยมากแล้วก็มุงกึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้ามุงกึงงงก่งหนึ่งบังกึ่งหนึ่งนี้ไม่ปจิติทุกกฎมันจะต้องกึงงกกก่งหนึ่งกับโดยมากและกึ่งหนึ่งกับทั้งหมดอบัตปจิตีนี้แปดตัวแต่ว่าก็ยังมีอบัตทุกกอีกห้าตัว คุณทราบอับทุกฏห้าตัวก็คืออบับทุกฏในทรษเสนาสนะที่มุ่งกึ่งหนึ่งบังกึ่งหนึ่งตั้งแต่มุ่งกึ่งหนึ่งบังกึ่งหนึ่งลงไปเป็นทุกกฏแต่ถ้าเลยสูงขึ้นกว่ามุ่งกึ่งบางกึ่งขึ้นไปนี่นะเป็นมุ่งกึ่งบังมากหรือว่ามุ่งกึ่งบางทั้งหมดพาจิตตีหรือว่าบางกึ่งมุงมากบางกึ่งมุงทั้งหมดก็พาจิตตี แต่ถ้ามุงกกิงบางเกิงแล้วก็มุงเกิงบางน้อยบุงกกิงไม่บางอะไรพวกนี้นะทุกกฎแต่กกมันจะมีไม่เป็นอบัติก็มีนะเดี๋ยวต้องดูว่าอะไรไม่เป็นอบัตดอันอันแรกนะที่เป็นทุกกฎก็มุงเกิงบางเกิงอันที่สองก็อบัดทุกกฎในเ ส, สนาสนะที่มุงทั้งหมดบางเล็กน้อยมุงทั้งหมดบางเล็กน้อยมุงทั้งหมดบางเล็กน้อยต้องต่ำาสองส อ, องครึ่งสองครึ่ง มุงเล็กน้อยต้องตามกว่าสอกคืบแล้วก็เป็น อ, นอวบัตทุกอดอันที่สามอวบัตทุกอดในเสนาสนะที่มุงโดยมากบังเล็กน้อยมุงโดยมากบังเล็กน้อยเมื่อคร้นี้มุงทั้งหมดบังเล็กน้อยนะนี่มุงโดยมากบางเล็กน้อยอันนี้สี itos, ่ก็เป็นอวบัตทุกอดในเสนาสนะที่บางทั้งหมดมุงเล็กน้อยบางหมดเลยคือตั้งแต่สอกคืบขึ้นไป หน้าสองขึ้นไปแต่มุงเล็กน้อยแต่ว่ามุ่งนิดเดียวเ อ, อันนี้ก็อบัตบทุกอดนะแล้วข้อที่ห้าอตบทุกอดในเส น, นาสนะที่บังโดยมากมุงเล็กน้อยบังโดยมากมุงเล็กน้อยก็คือบังในมากก็ตั้งแต่สองคืบเไปแหละแล้วก็มุงเล็กน้อยถ้าบังทั้งหมดก็หมายถึงว่าเต็มเลยอ่ะ น, นี่ก็เป็นอวบถูกอดห้าข้อปัจจิตีแปดตัว ทุกกดห้าตัวส่วนที่ไม่เป็นอาบัตไม่เป็นอาบัตก็คือเสนาสนะที่มุงทั้งหมดไม่บังเลยโล่งเลยนี่อาจารย์อย่างนี้ถือว่าบังไหมครับอันนี้จะเรียกว่ามีบงมังเหมือนกันต้องบังสามด้านใช่ไหมเนะี่ยหลังเนี่ยถือว่าบังไหมครับถือบังสิ่ี่มุงทั้งหมดบังถึงหนึ่งรยบาอย่างเงี้ยตาลาหลังเนี่ย อย่างได้หนี้เนี่ยอย่างที่เป่วยฟังเสียงฟังฟังถือว่าฟังไม่ยังไงอ่นไม่ฟังก็ยังจนกระจุกก็ไม่บังก็มองเห็นนะอืมมองเห็นเพราะมันด้ายขวาด้านหน้าด้าหลังมันใช่แต่ด้านนี้มันถือว่าไม่บังเขาไม่มองเห็นนะใช่อันนี้มองเห็นมงเห็นก็ชื่อว่าไม่บังอ่ะเพราะนั้นถ้ามุงทั้งหมดแล้วก็ไม่บังเลยไม่เป็นอาบัตหรือว่าเหนาสนะที่บังทั้งหมดแต่ว่าไม่มุงเลยล้อมปิด หมดเลยแต่ว่าข้างบนโล่งหมดเลยไม่เป็นอับัตข้อนี้ธรรมดาแล้วข้างบนนี่คนข้างล่างไม่เห็นแน่ยานจะมาใครเหาะมาก็อาจะเห็นก็ได้ข้อนี้น่าไม่เป็นอับัตบางทั้งหมดแต่ว่าไม่มุงเลยอันที่สามก็เสนาสนะที่ไม่มุงโดยมากไม่บังโดยมากก็คือมุงเล็กน้อยบางเล็กน้อยมุงก็นิดเดียวแล้วบางก็น้อยบางสอบคืบนี่ก็ไม่เป็นอับัต อันที่สี่ในเสนาสนะที่มุงกึ่งหนึ่งบางเล็กน้อยมุงครึ่งเดียวบางก็เล็กน้อยก็ไม่เป็นอบัติุงการเล็กน้อยนี้ก็ต่ำกว่าสองครึ่งที่ว่าใช่แล้วก็ในเสนาสนะที่บางกึ่งหนึ่งมุงเล็กน้อยบางครึ่งมุงเล็กน้อยเสนาสนะที่ทั้งมุงทั้งบังเล็กน้อยก็ไม่เป็นอบัตันนั้นก็ห้าข้อ ไม่ต้องอบัดวิธีใช้นี้แหลแม้แก่พิสุผู้นอนร่วมกับมาตุคามเพราะเช่นนี้การจริงอยู่ในทั้งสองสิ่งาบทนี้มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้เป็นอบัดในวันที่สี่แก่พิสุผู้นอนร่วมกับอนุสัมพันธ์กับมาตุคามนั้นเป็นอบัตในวันแรกทีเดียวแต่เป็นอบัดทุกกฎกับยักษินีและเปรตที่มีรูปปรากฏ และสัตเดริชานตัวเมียที่เป็นวัตถุแห่งเมทุนธรรมเท่านั้นที่เหลือก็ไม่เป็นอ บ, บัติถ้าไปนอนร่วมกับยักษ์นีอบัตทุกฏนอนร่วมกับเปรตอับัตทุกฏงานสัตเดริชานตัวเมียที่มีมีทวารเป็นเหตุที่ทําให้ต้องอบัตในเมทุนธรรมก็อับัติทุกฏมืองานก็ถามวินยัยในเรื่องการนอนร่วมในบาลีมุตตะเวนิยะเวนิไฉสังหาขจฺจ ในสาสียาบัติอาบัติเพลอกกานมาร่วมเีบัติปจิตตีแปดตัวก็คือสําเร็จกัรนอในเสนาสนะที่มุงทั้งหมดบังทั้งหมดมีปจิตตีข้อที่สองมุงโดยมากบังโดยมากปจิตตีข้อที่สามมุงทั้งหมดบังโดยมากข้อที่สี่มุงทั้งหมดบังกึ่งหนึ่งข้อที่ห้ามุงโดยมากบังกึ่งหนึ่งข้อที่หกมุงโดยมากบังทั้งหมดข้อที่เจ็ด มุงกึ่งหนึ่งบังทั้งหมดแล้วก็ข้อที่แปดมุงกึ่งหนึ่งบังโดยมากส่วนทุกกดห้าตัวก็ตั้งแต่มุงกึ่งบังกึ่งไอ้สองก็มุงทั้งหมดบังเล็กน้อยไอ้สามมุงโดยมากบังเล็กน้อยที่สี่มุงเล็กน้อยบังทั้งหมดอันนี้ห้าก็มุงเล็กน้อยบังโดยมากส่วนไม่มีอบัตก็5าข้อมุงทั้งหมดไม่บังเลย มุงเกึอบหนึ่งบางเล็กน้อยหรือว่าไม่บางเลยก็ได้นะมุงเล็กน้อยบางเล็กน้อยหรือว่ามุงเล็กน้อยไม่บางเลยก็ได้ไม่มุงเลยแล้วก็บังทั้งหมดมุงเล็กน้อยบางเกึ่งหนึ่งมุงโดยมากแล้วก็ไม่บังเลยนี่ก็ถึงเครื่องวิจัยก็ไทยมีสติในการที่จะนอนนะเนะ อาจารย์ก็ขอโอกรับอย่างการนุสบำบานนี่ถ้านอนได้ทุกคืนแต่ก่อนอารุณ์ขึ้นแล้วลุกไปนี่ก็มกไม่มีไม่นานนะครับใช่ไม่มีทางแต่ถ้ามาดูคำนี่ไม่ได้นอนหลังแตะพื้นพร้อมกันจ็อาบัดแล้วขยับลุกขึ้นก็นอนก็เป็นอีกตัวนีน่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่เป็นอาบัดอย่งนันน่ะต้นเหตุพระนุรุธทธะเป็นพระอรหันาหาแล้วนะเป็นนอนในบ้านของหญิงไม้ที่มีมนต์ไปนะอืมก็เป็นต้ น, นบัญญัติจะไม่ต้องอาบัติ ก่าบทเหล่านี้ก็จดจาได้มาแกล้จนพิจรารณาก็ทาให้อธิสิและสิกธาเจริญที่ขาบท น, นี้เป็นอจิตกตการหรือตตกาเป็นอจิตตะกาไม่รู้ก็เป็นอภัตทั้งสองข้อเลยนอนร่วมกับกอนุสมบันหรือว่ามาุามก็แล้วแต่ดัง้แกมีสติในการนอนเนี่ยนอนกับใครเยระวัง